รู้ชัดประจักษ์ตายพอถึงรุ่งเชา้าเมื่อได้โอกาสอันเหมาะสมท่านก็ขึ้นกราบเรียนท่านอาจารย์มั่นซึ่งตามปกติท่านเอง มีความเกรงกลัวท่านอาจารย์มั่นมากแต่วันนั้นท่านไม่รู้สึกกลัวเลยเป็นเพราะอยากจะกราเรียนเรื่องความจริงของท่านให้ท่านอาจารย์มั่นได้รับทราบและให้ท่านเห็นผลแห่งความจริงว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏผลเช่นนี้ ท่านจึงพูดขึ้นมาอย่างอาถรรพ์แบบที่ไม่เคยพูดกับท่านอาจารย์มั่นอย่างนั้นมาก่อนดังนี้ทั้งๆ ท, ที่เราพูดขึงขังตึงตังใส่เปรียงเปรียงท่านก็คงจับได้เลยว่าโหยทีนี้แหละกำลังบ้ามันขึ้นแล้ว ท่านคงว่างั้นมันรู้จริงๆความหมายว่ามันรู้จริงๆเพราะเราพูดแบบไม่สะทกสถทานเล่าอะไรอะไรให้ฟังท่านจะค้านเราตรงไหนท่านก็ไม่ได้ค้านมีแต่เออเอาพอเราจบลงแล้วก็หมอบลงฟังท่านจะว่ายังไง ท่านก็ขึ้นเต็มเหนียวเหมือนกันนะท่านรู้นิสัยบ้าว่างั้นนะมันต้องอย่างนี้เอาทีนี้ได้หลักแล้วเอาเอามันให้เต็มเหนียวอัตภาพเดียวนี้มันไม่ได้ตายถึงห้าหนนะมันตายหนเดียวเท่านั้นนะทีนี้ได้หลักแล้วเอาให้เต็มเหนียวนะ ว่าอย่างนั้นเลยเฉียวท่านเอาหนักอธิบายให้ฟังจนเป็นที่พอใจเราก็เป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านยอบ้างยุบ้างหมาเราตัวโง่นี้ก็ทั้งจะกัดทั้งจะเห่ามันพอใจมันมีกําลังใจทีนี้จึงฟัดกันใหญ่เมื่อได้กําลังใจ จากท่านอาจารย์มั่นเช่นนี้ท่านก็ยิ่งจริงจังเพิ่มขึ้นไปอีกคือพอเว้นคืนหนึ่งสองคืนท่านก็นั่งตลอดรุ่งอีกและก็เว้นสองสามคืนก็นั่งตลอดรุ่งอีกจนกระทั่งจิตเกิดอัศจรรย์เข้าใจชัดเจนเรื่องความตายดังนี้ เวลามันรู้จริงๆแล้วแยกธาตุแยกขันดูความเป็นความตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมอากาศธาตุก็เป็นอากาศธาตุตามเดิมใจที่กลัวตายก็ยิ่งเด่น มันเอาอะไรมาตายรู้เด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไงใจก็ไม่ตายแล้วมันกลัวอะไรมันโกหกกันโลกกิเลสมันโกหกกันต่างหากหมายถึงกิเลสโกหกสัตว์โลกให้กลัวตายทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรตายพิจารณาวันหนึ่ง ได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาพิจารณาอีกวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาแต่มันมีอุบายแบบเผ็ดๆร้อนๆแบบอัศจรรย์ทั้งนั้นชิตก็ยิ่งอัศจรรย์และกล้าหาญจนถึงขนาดที่ว่าเวลาจะตายจริงๆมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราทุกขเวทนา ทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้วเลยจากนี้ก็ตายเท่านั้นทุกคเวทนาเหล่านี้เราเห็นหน้ามันหมดเข้าใจกันหมดแก้ไขมันได้หมดแล้วเวลาจะตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงอีกวะ หลงไปไม่ได้เวทนาต้องเวทนาหน้านี้เองพูดถึงเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรตายกลัวอะไรกันนอกจากกิเลสมันโกหกเราให้หลงไปตามกลอุบาย จอมปลอมของมันเท่านั้นแต่บัดนี้ไปเราไม่หลงกลของมันอีกแล้วนั้นหละจิตเวลามันรู้และมันรู้ชัดตั้งแต่คืนแรกนะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมก่อนมาภาวนาจนนั่งตลอดรุ่งคืนแรกมันก็ไม่เสื่อม ตั้งแต่เดือนเมษายนมาก็ไม่เสื่อมแต่มันก็ยังไม่ชัดพอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจนเออมันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมเหมือนกับว่ามันปีนขึ้นไปแล้วก็ตกลงขึ้นไปแล้วก็ตกลงตกลงแต่คราวนี้พอปีนขึ้นไปก็ติดปั๊บ รอยเปอร์เซ็นต์ไม่เสื่อมมันรู้แล้วจึงได้เร่งเต็มที่เต็มฐาน